พระเทวทัตถูกอาัตธรรมแปดอย่างครอบงำภิกษุทั้งหลายเทวทัตถูกอาัตธรรมแปดอย่างครอบงำย่ำยีจิตต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรก ดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อสัตธรรมแปดอย่างคือหนึ่งเทวทัตถ์ถูกลาบครอบงำย่ำยีจิตต้องไปเกิดในอาบายต้องไปเกิดในนรกดำรงชั่วกับแก้ไขไม่ได้ 2. เทวทัตถ์ถูกความเสื่อมลาบครอบงำย่ายีจิต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 เทวทัตถ์ูความเสื่อมสการะครอบงำย่ายีจิตจักไปเกิดในอบายจากไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้เเทวทัตถ์ถูความปรารถนาชั่วครอบงำย่ายีจิตจากไปเกิดในอบายจากไปเกิดในนรก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 พึงครอบงำยศที่เกิดขึ้นอยู่พึงครอบงำความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นอยู่พึงครอบงำสักการะที่เกิดขึ้นอยู่พึงครอบงำความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นอยู่พึงครอบงำความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นอยู่พึงครอบงำความที่มีมิจฉั่วที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุ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 ที่เกิดขึ้นอยู่พึงครอบงำความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นอยู่พึงครอบงำความที่มีมิรชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเพราะเมื่อภิกษุไม่ครอบงำลากที่เกิดขึ้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแคนทั้งหลายพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อภิกษุนั้น ครอบงำลาบที่เกิดขึ้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเมื่อภิกษุไม่ครอบงำความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ครอบงำยศที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ครอบงำความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นอยู่ ไม่ครอบ beauty, งำสักการะ ท, ที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ครอบงำความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ครอบงำความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ครอบงำความที่มีมิรชั่วที่เกิดขึ้นอยู่อสศวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแคนทั้งหลายพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อภิกษุนั้น ครอบงำความที่มีมิดชั่วที่เกิดขึ้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหลจึงพึงครอบงำลาบที่เกิดขึ้นอยู่จึงพึงครอบงำความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นอยู่ จึงพึงครอบงำยศที่เกิดขึ้นอยู่จึงพึงครอบงำความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นอยู่จึงพึงครอบงาศักการะที่เกิดขึ้นอยู่จึงพึงครอบงำความเสื่อมศักการะที่เกิดขึ้นอยู่จึงพึงครอบงำความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นอยู่จึงพึงครอบงำความที่มีมิจฉ่วที่เกิดขึ้นอยู่ ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าพวกเราจะครอบงําลาบที่เกิดขึ้นอยู่ความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นอยู่พวกเราจะครอบงํายศที่เกิดขึ้นอยู่ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นอยู่พวกเราจะครอบงําสักการะที่เกิดขึ้นอยู่ ความเสื่อมศักการะที่เกิดขึ้นอยู่พวกเราจะครอบงำความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ความที่มีมิรชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล